มักมีหน้าที่พึงปฏิบัติก็คือทำให้มีขึ้นในเป็นขึ้นคือปฏิบัติให้มีขึ้นในเป็นขึ้นไม่ใช่ละแต่ว่าทำให้มีขึ้นในเป็นขึ้นดังนี้เป็นกิจเยจยียรกัตยานนั่นก็คือว่ารู้ว่าได้ทากิจทั้งปวงเหล่านี้เสร็จแล้วทุกข้อได้กำหนดรู้แล้วคือเห็นทุกข์แล้ว วันนี้เป็นทุกจริงสมุทัยคือตันหาอิเลสอคูสนทุจริตบาปทั้งหลายละได้แล้วละได้หมดสิ้นเคืงแล้วตลอดจนถึงอาสวะอนุสัยที่นอนจมอยู่ในจิตเป็นตัวจิตสันดาน ละได้หมดเป็นขีณาสะวะเป็นภูมิอาสะวะสิ้นแล้วไม่ใช่ละได้แต่ชั้นหยาบหรือในภายนอกแต่ละได้หมดตลอดจนถึงในก้นบึ้งของจิตใจมีจิตที่บริสุทธิ์ตลอดหมดไม่มีอาสะวะกิเลสหลงเหลืออยู่ฉะนั้น นี่นูคือความดับทุกข์จึงกระทำให้แจงให้แจงได้รู้ตนเองรู้พระองค์เองว่าดับกิเลสดับทุกข์ได้หมดแล้วมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วไม่มีบกพร่องเต็มที่ก็เป็นกัตถยานเพราะฉะนั้น ในธรรมจักซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระองค์จึงได้ใช้คำว่ามีวนรอบสามมีอาการสิบสองคือพยานความอย่างรู้นี้วนไปสามรอบในอริยสัจ ท, ทั้งสี่และเมื่อนับจำนวนทั้งหมด 3 4ก็เป็นส2บสองที่ว่าวนไปสามรอบนั้นรอบที่หนึ่งก็คือรู้โดยสัจจญาณคือรู้วันนี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขรอบที่สองก็คือ โดยกิจจยารรู้ว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทยัยควรละนิโรธควรกระทำให้แจ้งมักควรปฏิบัติให้มีขึ้นเป็นขึ้นรอบที่สามรู้โดยกัตตยานคือรู้ว่าได้กำหนดรู้ทุกแล้ว ละสมุทัยได้แล้วจะทำให้แจ้งนิโรธได้แล้วปฏิบัติในมรรคสมบูรณ์แล้วดังนี้เรียกว่าวนไปสามรอบในอดัต ท, ทั้งสี่โดยสัจจยานรอบหนึ่งโดยกิจจยานรอบหนึ่งโดยกัตยานรอบหนึ่งสามสี่ก็เป็นสิบสองมีอาการสิบสองและ การที่ตัดแสดงไว้ดังนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ทรงจำแนกแจกธรรมเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจก็ต้องแยกต้องจำแนกออกไปดังนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้สิบสองหน และยานคือความอย่างรู้นี่ก็มีสิบสองยานแต่หมายความว่ามียานคือความอย่างรู้เดียวหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สิบสองยานมียานอันเดียวยานอันหนึ่งเท่านั้นที่รู้โดยสัจจะโดยกิจจะ และโดยกระตะคือทำสำเร็จรวมอยู่ในยานอันเดียวกันทั้งหมดและรู้พร้อมในขณะเดียวกันไม่ใช่สบสองขณะไม่ใช่สบสองยานแต่เป็นยานคือความอย่างรู้อันเดียวหากว่าจะเทียบทางวัตถุที่พอจะทำให้ได้คิดว่ารู้ไหลลักษณะ ขณะเดียวกันนี้เป็นไปได้หรือก็ลองนึกดูถึงความรู้บางอย่างที่ได้จากลูกตาเช่นลูกตาที่ดูนาฬิกาก็เห็นหน้าปัดนาฬิกานั้นขณะเดียวเห็น ผิดหรือเลขที่บอกชั่วบองหมอกนาทีเห็นเข็มชี้บอกชั่วโมงเข็มชี้บอกนาทีเข็มชี้บอกวินา ท, นาทีพร้อมกันแล้วก็รู้เวลาว่าเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ที่เป็นตูวความรู้แต่ว่าตาที่มองเห็นนั้นต้องเห็นทั้งหมดในขณะเดียวกัน จึงรู้เวลาอันถูกต้องไม่จิรู้ทีละอย่างแต่รู้ในขณะเดียวกันเห็นทั้งหมดในขณะเดียวกันคุณ่ในสายตาที่เห็นทีเดียวจึงรู้เวลาได้เพราะฉะนั้นยานคือความอย่างรู้ที่เป็นอันเดียวนี้เป็นความรู้ที่มีได้ แต่เมื่อจะจำแนกตัวความรู้นี่ว่ารู้ยังไงก็จะต้องพูดใช้ภาษาจำแนกแจกแจงออกไปเป็นอย่างงาน้นเป็นอย่างนี้มากมายเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีมากมายจนถึงที่ตรัสหรือที่เรียกกันว่าแปดหมี่พันระธรรมขันก็นเพราะเหตุนี้แต่ว่าในาความตรัสรู้จริงๆนั้นรวมอยู่เป็นอันเดียวกัน วัดเดียวกันคือขณะจิตเดียวยานอันเดียวเท่านั้นแต่ว่ารวมอยู่หมดพุทธขึ้นแก่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเป็นพุโทโธคือเป็นภูตรัสรู้แล้วและก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ในปฐมเทศนา เพราะฉะนั้นปฐมเทศนาจึงเป็นหลักสำคัญในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัดแสดงอริยสัจเป็นหลักของพุทธศาสนาและก็ได้มีตัดแสดงไว้ในที่ต่างๆในคราวต่างๆแก่บุคคลต่างๆโดยปริยายคือทางอันแดง คือโดยปริยายคือทางแสดงที่เป็นอย่างนั้นบ้างที่เป็นอย่างนี้บ้างอย่างโน้นบ้างแต่ว่าก็สรุปลงอยู่ในอริยสัจทั้งอริยสัจสี่นี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นยึงได้มีพระพุทธภาสิทธไวจัดไว้ว่าเปรียบเหมือนอย่าง รอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงรอยเท้าสัตว์ทั้งปวงรวมลงในรอยเท้าช้างได้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนทั้งหมดก็รวมลงในอริยสัจทั้งสี่นี้ได้อริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นธรรมะหมุดใหญ่เป็นที่รวมของธรรมะที่ทรงสั่งสอนไว้ทั้งหมดดังนี้ฉะนั้น แม้ในมหาสติปัฏฐานทัน้ติปัฏฐานนั้นก็จบลงด้วยอริยสัจทั้งสี่และในอริยสัจทั้งสี่นี้ก็มีมัสมกเป็นข้อสุดท้ายคือมัสมีองแปดและมัสมีองแปดนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นที่หนึ่ง สัมมาสังกัปปะความดำริชอบเป็นที่สองทั้งสองนี้ก็นับว่าเป็นปัญญาศิกขาสัมมาวาจาเจนจาชอบเป็นที่สามสัมมากัมมันตะการงานชอบเป็นที่สี่สัมมาอาชิวะเลี้ยงชีวิตชอบเป็นที่ห้า สามข้อนี้ก็เป็นศีลศิขาสา ม, มาวายามะเพียรชอบเป็นข้อที่หกสา ม, มาสติสติระลึกชอบเป็นข้อที่เจ็ดสา ม, มาสมาธิตั้งใจชอบเป็นข้อที่แปด ทั้ง3พ่อนี้เป็นจิตติสิกขาหรือสมาธิเพราะฉะนั้นก็รวมเข้าเป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ในมรรคไมีองค์8นี่แสดงปัญญาเป็นที่หนึ่งศีลเป็นที่สองสมาธิเป็นที่สซึ่งมีสัมมาสมาธิ สมาธิชอบเป็นข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นข้อสำคัญเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นคือจิตที่ตั้งมัน่แนแน่วแน่อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบ ยำเป็นที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลายได้ด้วยพึ่งพิจารณาเทียบกันดูว่าเหมือนอย่างมือแบของบุคคลเมื่อบุคคลแบมือและวางของอะไรลงไปในมือ ถ้ามือสะบัดแกว่งของที่มีอยู่ในมือนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะต้องตกหล่นไปแต่ถ้ามือสงบนิ่งของที่ตั้งอยู่ในมือนั้นก็ตั้งอยู่ได้ฉันใดก็ดีจิตที่ดิ้นรนกัดแกว่งกระสับกระสาย กุศลธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้แต่ว่าจิตที่สงบแน่วแน่กุศลธรรมทั้งหลายจึงตั้งอยู่ในจิตได้นี้ว่าในฝ่ายดีแม้ในฝ่ายชั่วก็เหมือนกันถ้าจิตไม่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำ แม้ความชั่วเองก็ไม่ตั้งอยู่ในจิตต่อเมื่อจิตตั้งใจแนวแนวว่าจะทําความชั่วเองจึงตั้งอยู่ในจิตได้ดุจฉนั้นแม้ในการกระทําความชั่วทั้งหลายก็ต้องมีสมาธิในการทําแต่ว่านั่นท่านแสดงว่าเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดส่วนสมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องนั้น ต้องตั้งอยู่ในทางดีก็ทำความดีเพราะฉะนั้นจึงมีพระสูตรที่แสดงว่าสมาสมาธินั้นเป็นตัวหลักซึ่งประกอบด้วยบริขาร คือข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องประกอบเข้ามาอีกเจ็ดข้อก็คือมักมีองค์แปดเจ็ดข้อขัางตนนั่นเองตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจนถึงสัมมาสติสติตั้งระลึกชอบทั้งเจ็ดข้อนี้ ตัดเรียกว่าเป็นบริขารคือเครื่องประกอบเครื่องที่จะต้องใช้สอยของสมาธิก็เหมือนอย่างบริขารเรื่องใช้สอยสำหรับ พระปิกสุสมณเณรเช่นบาดีวรเป็นต้นเรียกกันว่าบริขารหรือสมณะบริขารแม้สัมมาสมาธิก็ต้องมีบริขารก็คือมักมีองค์เจ็ดมีองค์แปดเจ็ดข้อข้างตน้นนี่เองซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นความว่า สมาสมาธิในพุทธศาสนานั่นจะต้องประกอบด้วยมรรคีกิจข้อเข้ามาด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องเป็นความตั้งจิตมั่นอยู่ในทางที่ชอบที่จะกระทำความดีความชอบต่างๆที่จะให้เกิดปัญญาที่ชอบ ให้เกิดความประพฤติ ท, ที่ชอบจึงจะต้องมีปัญญาที่ชอบต้องมีความประพฤติ ท, ที่ชอบจะต้องมีสติที่ชอบความเพียรที่ชอบประกอบเข้ามาจึงจะเป็นสัมมาสมาธิในพุทธศาสนา คือเป็นสมาธิอันถูกต้องแต่หากว่าไม่มีองค์ประกอบอีกเจ็ดข้อเข้ามาประกอบไ้แล้วก็จะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิในทางที่ผิดได้เหมือนอย่างสมาธิของภูที่กระทำความชั่วทั้งหลายของโจรทั้งหลาย ซึ่งผูกระทำความชั่วทั้งปวงนั้นต้องมีสมาธิแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิและแม้ว่าจะเป็นความดีไม่ใช่ความชั่วความดีก็ยังเป็นชั้นๆเป็นชั้นกา ม, มาพรจรอย่างลงในกาม ทันรูปาพจรอย่างลงในรูปคือขั้นที่ได้สมาธิมีรูปเป็นอารมณ์ท่านอรูปาพจรคือสมาธิที่มีอารูปเป็นอารมณ์ก็ยังเป็นขั้นขั้นกันไปเหมือนกันรวมความก็คือว่าสมาธิในขั้นทั้งปวงที่กล่าวมานี้ก็ยังเป็นโลกิยะสมาธิ อเมื่อพ้นจากกามาพรจรูปาวจรอรุปาวจรจึงจะเป็นโลกุตัสมาธิเป็นสมาธิอันประกอบด้วยมรรคอีกเจ็ดข้อเป็นแปดกำจัดกิเลสอันเป็นเครื่องผูกพันใจอันเรียกวัาสัญญได้ตั้งแต่สามขึ้นไปดังนี้ จึงจะก้าวขึ้นเป็นโลกุตตรสมาธิซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั่นเมื่อปฏิบัติในทางที่เป็นกุศลที่เป็นสมาสมาธิไปโดยลำดับประกอบด้วยองค์เจอีกอีกเจข้อรวมเป็น8ด้วยกันไปโดยลำดับ ก็ใช้ได้และในทางของปฏิบัติในทางของการปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปคือหยาบไปหาละเอียดไปโดยลำดับแล้วก็เป็นไปเองเหมือนอย่างขึ้นบันไดไปทีละขั้นกถึงขั้นสูงสุดขึ้นเองในทีแรกก็ต้องก้าวขึ้นขั้นต่ำก่อนจะไม่ก้าวขึ้นขั้นต่าไปให้ขึ้นขั้นสูงสุดทีเดียวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแม้ในการปฏิบัติเบื้องต้นที่เป็นสมาธิในพุทธศาสนานั้นต้องเป็นสมาสมาธิและจะเป็นสมาสมาธิได้ก็ต้องประกอบด้วยมรรคิเจข้อขังต้นคือต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งศีลและต้องมีทั้งสมาธิมาประกอบกัน ตามควรแก่ทางปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นสมาสมาธิสมาธิอันถูกต้องในพุทธศาสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังตรวดทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมน ม, นมัสการประภูมิประภาตัรหันตสมาสมาสมุทธิเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจ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 จะแสดงสรุปธรรมะที่บรรยายมาโดยลำดับตามแนวพระสูตรใหญ่ที่ตรัสแสดงสติปัฏฐาน อันได้ชื่อว่ามหาสติปทานสุดอันได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปพระบรมศาสดา ได้ทรงสแสดงทีศทางปฏิบัติอันเดียวอันเรียกโดยชื่อว่าเอกายนามัคทางไปอันเดียว คือทางปฏิบัติอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกความรันจวน ทำครวนใจทั้งหลายเพื่อดับทุกโทมนัสทั้งหลายเพื่อบรรลุธรรมะอันถูกชอบที่พึงบรรลุ เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานคือความดับกิเลสและกองทุกทั้งสิน้นทางปฏิบัติอันเดียวนี้ก็คือสติปัฏฐาน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 มีความเพียรปฏิบัติสัมปะยะสองสัมปะยาโนมีความรู้พร้อมคือมีความรู้ตัวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัมปชัญญะ ที่แปลว่าความรู้ตัวสามสติมามีสติคือความระลึกได้หรือความกำหนดพิจารณาสีวิเนยโลเกอพิชาโดมนัสสัง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 อีก3ข้อก็เหมือนกันเมื่อจะปฏิบัติข้อไหนก็ต้องตังต้งกติพิจารณาในข้อนั้นมิใช่ในข้ออื่นและได้ทรงแสดงสถานที่สำหรับที่จะปฏิบัติไว้ ก็คือป่าโคนไม้เรือนว่างอันเป็นสถานที่สงบสงัดดังในที่นี้ก็กล่าวได้ว่า เป็นเรือนว่างคำว่าว่างนั่นก็คือสุญญะความว่างก็คือสุญญตา